بسم ا ل ل ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شيخ ا ل م س ل ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م ل د ي ن ث م ا م بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توبتون تي ما قوم سورة الفاتحه التي เราก ملن سكسة قاماي هن ي สุรเดลอมแนเป็นสุรที่ส่วนมากของสุรทูปประทานลงมาหลังสงคํามบัดรเราจะใช่สำเนียงบัดรบัดรคือถ้าถ้าเอาเขาจริงตามหลักการมันก็ผิดน่แหละมันไม่ใช่บัดรเนี่ยบัดรเนี่ยเป็นกริยา บัตรรบัตรร้นในการเรียบในสหราชนิยไปว่าพระกุณเป็นกุลริเลยบัตรบัตเตรนี่ละก็อดงจันทร์ดวงแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือบัตเนอร์นเป็นชื่อของบ่อน้ำารนูบัตรือมาอบัตเรเป็นบ่อน้าที่ท่านนบีสุลต่านละฮะลิวัลลัมตาน้ที่ท่านนบีไปครอบครองช่วงที่ ช่วงที่ไปเป็นทำสงขามก็ก็จะเขียนกันบางทีก็เขียนกันรอการันทำให้คนจะจะอ่านกนกระทรวงคํามัดคือเขาเข้าใจว่าอะไรที่อักษรภาษาอังกฤษที่มีตัวสุกูลในสุกูลนี่ก็คืออักษรนิ่งอะนะก็คือเหมือนเหมือนการันนะก็คือไม่อ่านมันไม่ใช่ภาษาอัากฤษกับภาษาไทยนี่ไม่ใช่อย่างนั้น การันนี่คือไม่อ่านเลยสุกูลเนี่ยก็คือนิ่งแต่อ่านบชื่อสุรนี้ก็คืออัลฟาอลอัมฟานแปลว่าทัพเฉลยและในช่วงแรกของสุร์ทบทวนนิดนึงเราได้พูดถึงเรื่องเรื่องทัพเฉลยทิยาละซุบฮะโนตะอลดช้ ให้เ จ, จ็ดจ็ดจ่ายหรือแบ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่มีทรับเฉลยเกิดขึ้นและในประชาชาติยุคก่อนอย่างเช่นเอกรูดิงเนี่ยยีว่าก็มีทรัพย์เฉลยนี่ห้ามห้ามห้ามรับทรัพย์เฉลย มุสลิมก็เลยเกิดข้อแข่งใจว่าแล้วเขาล่ะจะถูกห้ามไม่ให้รับศัสนาเลยไหมที่จริงเนี่ยอับจะฮิลเลียในประเท่ที่อเมริดา ไ, ไ, ไม่ได้นับถือศาสนายิวหรือคริสเป็นศาสนาแห่งฟาก ฟ, ฟ้าก็าคือพวกมุสลิมเนี่ยเขาก็เคยทำสงครามกันเอาหมดแหลก ย, <laughs> ยืดหมดเลย แม้กระทั่งแม้กระทั่งไป ป, ล ป, ลปล้นป้นผงอูดผงแพะชาวบ้านเขาเขาก็เรียกกันทรับเลยเอาหมดเลยแต่ในนี้เขาเป็นมุสลิมพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาก็เาก็มีความสำนึกนทรว่าอ้ับซับของคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถรับได้จนกว่าจะต้องรับอนุญาตจากเราสุภาดันจึงถามท่านนะี หลักอะไบอกว่าย้อนดูเกัลแอมเฟล่ต้น s o ะัลอมเฟลยอเพวกเขาคือผู้ศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ได้ทำสงครามกับท่านนบีซุนบลองอะไรอถามท่านนบีแอลอมเฟลอนิลอมเฟลเรื่องทรัพย์เลยเนยก็หมายถึงว่าจะจะแจกจ่ายยังไงจะแบ่งกันยังไงก็บอกกับพี่น้อง ตอนอธิบายตอนต้นต้นของสู้อันอัลอฟัลเนี่ยบอกว่าในต้นสุรนี่ได้พูดสั้นๆได้ให้คาตอบสั้นๆเรียกว่าเป็นคาตอบย่อๆหรือคาตอบสรุป สะเฉลยลลอฮฺและระซูลเป็นสิทธิ์ของอลลอฮฺและระซูลและตอนนั้นผมก็บอกว่าแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนช่วงกลางกลางของสุรานี้ก็จะมีรายละเอียดอย่ตอนสุรานี้ได้ให้คำตอบกว้างๆว้าสำเฉลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอลลอฮฺและระซูล แต่พอมาตรงกลางสุรนี้ก็มีรายละเอียดลงรายละเอียดว่าว่าต้องแบ่งแบบไหนอย่งอย่างไรเท่าไรซึ่งในกุศอ่านนี้ก็จะมีสุรและอายะอื่นๆที่พูดถึงเรื่องทรัพย์สิสนที่ไม่ได้มาโดยเสน่หาไม่ได้เป็นการให้ที่เป็นการ ยึดจากศัตรูแต่การยึดจากศัตรูนั้นมีอยู่สองรูปแบบยึดจากศัตรูผ่านสงครามและการต่อสู้อันเนี้เขาเรียกกันรอีมาหรืออัมฟัลลิแต่มีเงินที่ถูกยึดโดยที่ไม่ได้ผ่านสงคราม เช่นไม่ไดีเกิดสงครามแล้วก็มีทรัพย์สินของศัตรูแล้วก็ยึดมาแบบนี้อันนี้เนี่ยคือเรื่องไฟไฟปุ่นไฟซึ र, ่งในสุราอัลฮัชรเปสุรที่ถูกประธานลงมาปีที่สี่ที่ห้าเุ อันนี้ก่อนสงคัมบัดรหรือหลังฮะสี่ห้าฮิวโจนี่ก่อนหรือหลังบัดรหลังสิเพรบัดรปีที่สองถูกประทานลงมาในช่วงช่วงที่ท่านนายบิซอลละลอสลัมไปยึดทรัพย์ของยิว ที่บิดพบ้อสัญญาสันติภาพและได้ยึดทรัพย์ของอยู่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการการสู้รบหรือการทำสงครามอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل กล่าวว่ามามาเฝอัลลอฮฺอาลัรัสูลีมิเอะ์ลิลุรฟลิลลาฮ วะล์ลรัสูลีวะล์ดีลขรเบวะล์ล์ตามะวะล์ล์มสะกีนซิ่งดีอัลลอฮได้ประทานอห้แกประทานหมายถึงว่าให้ท่านนบีโดยที่ไม่ได้ผ่า์การทาสงครามใดๆแสดงว่ามีไฟแล้วก็มีอันฟาลหรืออันีมัเนี่ยอันนี้เป็น เป็นสักที่เกิดเกิดเกิดจากการยึดเกิดจากการยึดจากศัตรูจะแบ่ ง, งยังไงดูจ ะ, จะสรุปให้เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวิชาฟิคนะะอธิบายแเรื่องนีส้สล้วกันเยอะมากแล้วก็จะอธิบายเรื่องการแบง่งแบง่แบงซับเฉลยเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องให้เบิกยาพาราด้วย คนหลายเรียนพดหัวมากเยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดเรียนแล้วไม่ได้ะอะไรทำไมเพราะเพราะเพราซับมุสลิมปัจจุบันนี้แหล่งที่กำลังเป็นซับเฉลยเรานี่ยกาลังเป็นซับอยู่เป็นซับที่ถูกยึดโดยไม่ได้ผ่านสงครามหรือการสูร้รบใดๆ เข้ามาเข้ามาเอาเฉยๆฉะนั้นเรียนรู้ไปก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์นักกันนะแบ่งทรัพย์แบ่งซัพย์ <laughs> เฉยอย่างเงี้ยไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับบางอย่างนะในเรื่องนิติศาสตรอิสลามเนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดมากเพราะมันไม่มีปรกากฏการให้ให้ปฏิบัติเช่นอักามขุกลมต่างๆเกี่ยวกับ เกี่ยวกับธาตอย่างเี้ยโอ้เป็นหมวดเฉพาะเลยนะเรียนกันบางทีนี่ต้องใช้เวลาปีสองปีอย่างเงี้ยเรียนแล้ ว, ลวอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มันไม่เกิดภาคปฏิบัติชัดเจนกะไว้ให้เกิดมีทรัพย์เฉลยให้มันชัดเจนอ่ะนะกไว้คุยกันแห่งละเอยียดอีกรอบนึงล แต่โดยจะสรุปให้นะครับแต่เรื่องของทรัพชเลยมาที่ผ่านการทำสงครามหรือไม่ได้ผ่านการทำสงครามมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้ของรัฐอิสลามรายได้ของรัฐอิสลามเนี่ยมีแค่นี้เหรอไม่ โดยรวมนั่นนะครับรายได้ของรัฐอิสลามเนี่ยมีอยู่ห้าแหล่งหนึ่งก็คือทรัพย์เฉลยที่ผ่านสงครามนี่แหละสองทรัพย์เฉลยหรือทรัพย์ที่ถูกยึดจากศัตรูที่ไม่ได้ผ่านการทำสงครามที่ได้ผลนไ้รวมถึง ภาษีที่ถูกกำหนดเก็บจากกางศาสนิกเช่นคอรารัคอรารนี่ก็คือ آ, آ, ภาษีภาษีที่ดินอันนี้จะกางศาสนิกเฉพาะนะแล้วก็ภาษีรายรายบุคคลก็คือดิเซีย ทั้งหมดนอยู่ที่ไฟทั้งหมดนี้ก็มีสองไปแล้วนะทรัพย์เชลยอ่านะอิมแล้วก็ไฟสามอัอฎาก็คือเรื่องบริจาคทั้งเรื่องบริจาคสกาดที่เป็นววยิบแล้วก็บริจาคที่มาชีวะยิบแล้วก็ อริกาสอริกั ส, ก, สก็คือรายได้รายได้ที่มาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติช่นพวกน้ำมันพวกเหมืองต่างๆหรือพวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายถ้ามันงอกเงยซึ่งรายได้อันเนี้ยก็ได้กันก็อยู่ในหมวดว่าด้วยอริกาส ก็มีรายได้ของรักเท่าไรล่ลส่ห้าก็คือถ้าสีเนี่ยไม่พอคือสีเนี่ยหลักหลักถ้าสีเนี่ยไม่พอสองอันนะ่ะที่มาจากศัตรูที่ไม่ใช่มุสลิมนะและอีกสองอันนะ่ะนะ กาที่มาจากมุสลิมก็คือเรื่อง zakat sadaqah าาอะไรต่งางๆแล้วก็รีการก็คือทรัพยากรทรัพยากรในดินแดนของของมุสลิมสีเนี่ยเป็นไรายได้ของรัฐถ้าไม่พอเก็บภาษีนี่เป็นแหล่งไรายได้ถ้าถ้าสีนี้พอนะถ้าแหล่งไรายได้ที่มาจากสีอย่างนี่พอในการที่จะบริหารแผ่นดิน ห้ามเก็บภสีและถ้าเก็บภาษีถือว่าบาปใหญ่บาปใหญ่ที่สุดอย่ที่เคยอธิบายกนหน้านี้รายได้ต่างๆของรัฐเนี่ยหลักการในการใช้จ่ายเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็คือใช้จ่ายในผลประโยชน์ส่วนรวมของประชากรแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม หมายถึงว่าไ ด, ได้ได้ได้มาจากทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐอิสลามจะเป็นมุสลิมหรือไม่ที่มุสลิมมานะต้องรับประโยชน์จากรารได้ดังกลาง่าวประโยชน์มีอะไรบ้างครับสองอย่างเรื่องแรกนี่ก็คือการดำรงชีพส่วนตัวให้เพียงพอไม่ให้อดอยากนี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ททต้องทาการดารงชีพ การนโยบายีมีรวมถึงทุกอย่างนะอาหารการกินอยู่เสื้อผ้าถ้าไม่มีเนี่ยขาดสนเนี่ยรัฐต้องต้องหาให้สองดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นความต้องการของสังคมโดยรวมก็คือเรื่องบริการส่วนรวมเรื่องทำทานนนทำทานหนุน ควบคุมโรคระบาดทำโรงพยาบ า, าบลอะไรแบบนี้ทำสร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันไม่ยู่ของบุคคลละอันนี้เป็นของส่วนรวมและทุกคนในสังคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐอิสลามแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็มานะถ้า ขัดสนก็จะถูกงดไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บส่วนที่เป็นแหล่งรายได้ของรัฐ จ, จะเขาอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นอารุลกีตาบเนี่ยราคดสนไม่ต้องเก็บดิเสียะถ้าเป็นมุสลิมละขคดสวไม่ต้องเก็บซะกันและเอาส่วนรายได้ส่วนรวมเนี่ยมาหล่อเลี้ยง คนทีข न न न, ่ขัดสนแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนขัดสนอะฮูกีเตมที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัี่นะถ้าดิซียที่เก็บจากจำพวกอะฮูกีตมเนี่ไม่พอที่จะหลอเลี้ยงเขาเอาจากสะการของมุสลิมเนี่ยมาเลี้ยงอันทีกทั้งหมดเนี่ยเป็นเปการกอันนี้โดยรวมนะ การใช้ใจ่ายแหล่งรายได้ดังกล่าวผู้บริหารกันดินโดยรวมนะที่พูดโดยรวมก่อนเดี๋ยวรายละเอียดนี้จาอธิบายตอนอธิบายสูงนผู้บริหารแผ่นดินขลิฟฟ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขลิฟฟ์ แม้ว่าจะเป็นทายาทเครือญาติองค์ตระกูลหรือขราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาทั้งหมดเลยไม่มีสิทธิ์ในแหล่งไรายได้ดังกลาง่าวนอกจากจะได้เหมือนประชากรทั่วๆไปคาลิฟาทำหน้าที่ แทนสังคมในการบริหารอาก็จะมีค่าตอบแทนได้แลฉะนั้นไม่มีนะสำหรับคอลิฟ้าเนี่ยที่จะให้บางส่วนของรายได้แผ่นดินรายได้แผ่นดินเนี่ยเอามาใช้ตด้ัอ า, ายาสัายนี่เอาบอกว่า ให้บริหารตามอัทยาสัยนี่ได้ให้บริหารตามอัทยาสัยเนี่ยได้คำว่าอัทยาสัยเนี่ยมันอาจจะดูกว้างกว้างหน่อยแต่มันจะมีกฎหมายโดยรัฐกฎหมายอิสลามเนี่ยกำกับอีกทีนึงคือคือคำว่าอัทยาสัยเนี่ยมันดูอาจจะใช้โดยไม่มีเหตุผลก็ได้มันก็อะคือคือตามอำเภอใจอ่ะใช่ปะ่ะต่ไม่ใช่คืออัทยาสัยเนี่ยถ้า มาอยู่ในรูปแบบของการบริหารแั่นดินแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีกฎเกณฑ์กำกับอีกทีหนึงก็หมายถึงว่าใ ช, ใช้ใช้จ่ายบริหารตามความเห็นโดยที่อาจจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะเยอะแยะเพราะบางทีฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องออนายกนี้นายกบ้าเราอย่กมีสิ่แต่ว่าสามพันล้านนะสามพันล้า น, นะ น, านนะอยู่ในดินชักเลยนะ แล้วก็โอ้ยมาเคียที่หลังแต่ต้องเคลียไม่ใช่ปาร์ตี้ไปอะไรแล้วไม่ใช่นะคือมันจะได้บริหารเร็วหน่อยแต่จะให้นายกนิบทุกบาททุกสตางค์นี่ต้องผ่านกระบวนการเบริกจ่ายของของรัชกาอ้ตาแน่นอนบริหารแบบนี้แบบนี้เนี่ล้มเหลวแน่นอนเขาก็จะเขาจะให้มี ฝ่ายบริหารเนี่ยทุกหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีส่วนที่เขามีสิทธิเบิกจ่ายด่วนแต่เขาต้องเขีย่ยต้องเขีย่ยอันนี้อันนี้อยู่อยู่ในค่าใช้ใจ่ายของการจัดการบริหารแผ่นดินเหมือนกันอันนี้ในการสนสนุนก็มีแต่ให้ไปเลยจะได้ใช้ใจ่ายส่วนตัวอะไรเงี้ย น, นี้อันนี้ไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นสิทธิ ที่จะรับค่าตอบแทนตามหน้าที่และนำสัส่วนที่ถูกกำหนดโดยชอบโดยกฎหมายอันนี้คือหลักการรวมของการจัดการรายได้จากแหล่งรายได้ในในรัฐอิสลามทีนี้จะมีข้อสังเกตว่าจำพวก ที่จะให้แจกจ่ายหลงรายได้ดังกล่าวอย่างเช่นสกัดอย่างเงี้ยในสุรตะวันนี่องค์ก็ระบุชัดเจนว่าจำพวกที่จะให้จ่ายสกัดอะไรที่จำพวกแต่จำพวกอินนะสุดข้าดูลิขุรรัยวันมวันมัสกินวัน عامل ินะเลยฮะวันมุเอลเฟต รูปวกมเห็นวอัรทีมลกาณะเนัวอารท่มีลัะเปนตวัรทีละปตัวั่มีลักษณะเป็นตวอกทีมีลปนตวก่มีลัเวอ๊กแบ่มีัดเจนเลยอ่ละเปตอที่ลักษณะเตวอก่ลักษณะเ็นอี่มีกเนตัวอักษรีมีลัะเอกที่มล้นวก็รที่มีค็วากรมีักนักรที่มกวามมากมาย เช่นเดียวกันซับฉเฉลยก็มีระบุชัดเจนว่าให้กี่จำพวกตามที่จะเรียนรู้ในในอญญายะนันต่อไเนี่ยแต่ก็จะมีความหลากหลายในการตีความในการอธิบายในความขัดแย้งในในมุมมองใน ในความเข้าใจว่าแต่และจำพวกเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็พยายามสรุปนิดนึงนะครับว่าโดยรวม เ, เราได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีการระบุชัดเจนเรื่องทรัพย์เฉลยเคยเอ่ยไปแล้วนะครับช่วงต้นๆ น, นะครับโซเดอรแฟนเนีน่ยว่า จะสังเกตว่าไม่ได้มีรายละเอียดมากในการแจกจ่ายรัเ์เฉลยแต่มีรายละเอียดมากกว่าในการกำชับตเตือนนักรบและกผู้ศรัทธาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัเ์เฉลยเนี่ย ว่าอย่าได้ขัดแย้งกันในเรื่องทรัพย์และให้จงรักษาซึ่งความเป็นพี่น้องอย่าได้ทะเลาะกันในการแบ่งทรัพย์เสนออย่าให้เรื่องทรัพย์เสินเรื่องดุนยาเนี่ยเป็นสาเหตุในการที่จะแตเแยะกันอันนี้เนี่ยพูดมากกว่าพดเยอะกว่าก็แสดงว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะ มีสุราเนี่ยสุระแอลเอนเฟลเนี่ยเพื่ออบรมผู้ศรัทธาโดยเฉพาะคนที่กาลังทาภารกิจกาลังทาหน้าที่ในการสู้รบเนี่ยที่จะปรับเจตนารมของเขาเขาจะสู้รบเนี่ยสู้รบเีเพื่ออะไรเพื่ออัลล์สุฟาห์นอวะาเพื่อให้พระดมรอัลล์สุฟาห์นอวะาลสูงส่งและในมันดิกบุ k ท่านเบบีซอลลัลลอฮอะลัยฮิลม <تابع> <الرجل يقاتل حميه. تكلم> و <فأكوه> <تصفي hurting>. سب َ ا ل ر ج ل ي ق ا ت ل ح َ م ي َ ت م ي ُّ ك ُ ن ج ه ا د ت ج ه ا د ٍ ه م ي د ِ ج ه ا ا ل ل ه ت خ و ج ه ا د ٍ ب َ ق ُّ ي ْ ف ْ ن ك ُ م س ل م ح م ي ا ل ر ج ل ي ق ا ت ل ل ل م غ ن م ا ل ر ُ ب ي َ ا ء َ أ ل م ْ م م ว่ารัจูลยคาติลุลิ ذكر ีเรามีายคนหนึ่งเนี่ยจะต่อสู้สู้รบเนี่ยเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเอ้ยคนศัตรูมาแล้วก็เราไม่ไม่ออกมาเป็นไม่ได้ไงต้องยกครับสถาบันของเราเพื่อบกป้องเกียรติยศท่านนบบบีไม่เสียเวลาในการตำหนิพวกนี้นะ ท่านนบีพูดไปู่ ي ي, าผู س ون س ون, ل ل ทา้ที่ฆ่าแล้วจะเป็นคำของพระเจ้าที่สูงส่งพระองค์ทร ب เป ل นผู้ที่ต่อสู้เพื่อให้พระดำรัสของลระเี่สูงส่งพระ ف งค์ทรนผล้ที่เขาจะต่อสู้ในห้องลังในงนระงจาแสดงว่าที่ถูกถามนียไม่ใช่ผู้ที่จะเอาเรื่องนี้มาจัดสรรกับ ทุกภารกิจทุกภารกิจคนที่ต่อสู้คนที่สู้รบเนี่ยเพื่อให้พร ะ, ระองค์เราของพระเจ้าสูงสง่งแล้วก็เขาก็ได้แบ่งทรัพย์เชะลยไม้นเนียาก็รับอันนี้ก็ไม่ผิดภารกิจอื่นก็เช่นเดียวกันสอนกุฏฐานสอนศาสนาทํางานสังคมอยากได้ผ ล, ลบุญให้งานของท่านเนี่ยฟีสวีลินแล้ว ก็เดียได้จิตตนาได้ทาได้ทําเพื่ออัลลอฮฺทำให้มันมาละสูงส่งแล้วลก็พยายามให้รายละเอียดของชิ้นงานของท่านเนี่ยให้มันบรรลุปเป้าหมายศิลธรรมแห่งคําสั่งสอนของละสหวานให้มันเกิดขึ้นให้ได้เราจะมีค่าตอบแทนได้มาเราจะมี การส่งเสริมมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องมากก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าบาปเพราะเราเจตนาดีตั้งแต่ต้นแต่ถ้าจะเริ่มต้นทำงานอะไรก็ตามจะต่อสู้จะทำงานศาสนาจะสอนจะอะไรสังคมอะไรทาอะไรของสังคมนี่นะโดยหวังนะ ห, หวังในผลประโยชน์ในวัตถุนะ จบเลรื่องผลระ บ, บนที่จและนี่คือปัญหาใหญ่ของโลกปัจจุบันของมนุษย์ชาติรณรงค์ให้เยาวชนเรียนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมีมีอุทธิอันเป็นอันเป็นชื่อเสียง ของตระกูลของครอบครัวแล้วก็มีวุฒิแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพมีอาชีพแล้วเนี่ยจะได้มีไรายได้แล้วก็ถูกถูกอบรมถูกฝังถูกปลูกฝังเนี่ยตั้งแต่เล็กให้ขึ้นไหวทั้งชีวิตเนี่ยไปในทิศทางนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ผิดนะ ไม่ผิดนะที่เราบอว่าเราเราจะปล่อยตัวไม่เรียนอะไรเลยไม่มีอาชีพอะไรเลยแล้วแต่ว่ากั้นอย่างเดียวจะได้มีไรายได้มันไม่ได้ลูเราต้องเรียนรู้เราจะได้มีอาชีพจะได้มีอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ผิดพูดแบบนี้ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันนะมันต้องสั่งสอนด้วยเรียนเพื่ออะไรอย่านเรียนแล้วได้วุฒิแล้วจะทำอะไร จะรับใช้ใครหวังหวังผลบุญจากใครผู้อยากมีต้นทุนนะ่ะนะคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมคนที่มีผลบุญนะ่ะต้นทุนของเขานี่ก็คือ ตั้งจิตนาที่ดีในการทํางานส่วนบุคคลในการทํำงานสังคมในการเสียสละในการทําอะไรเพื่อสังคมหวังการตอบแทนพระเจ้าหวังการตอบแทนในโลกหน้าใครมาในโลกนี้เนี่ยก็ ก็ขอให้มีความชอบธรรมได้มาก็ไม่บาปอย่าให้ทุจะิตแล้วกันแต่อย่าให้มันเป็นเป้าหมายจะทำพอต้องมีวัตถุถ้าไม่มีวัตถุฉันจะไม่ช่วยฉันจะไม่ทำสังคมจะหายนะ <c oughs> ช่างช่างสังคมเขาไปถ้าไม่มีค่าตอบแทนถ้าไม่มีอะไรได้ ที่สมเกียรติที่ตอบสนองหรือตอบกิเิสก็จะไม่เสียสลักเอาเข้าจริงแล้วสังคมที่กำลังเสื่อมเสียที่ใดแต่เห็นคนมักจะใช้สโลแกนการดำเนินชีวิต ว่าตัวใครตัวมันมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละไม่มีใครทำอะไรเพื่อหวังผลบุญจากพระเจ้าในโลกหน้าหวังการตอบแทนในโลกนี้แล้วหวังการตอบแทนที่มันจับต้องได้และคิด เป็นเม็ดเป็นเงินเลยนะแล้วเธอไม่ได้ก็ไม่ทำคนส่วนมากพอคิดแบบนี้คนอื่นที่เขาไม่อยากจะคิดแบบนี้แต่เขาเห็นว่าสังคมมันเป็นแบบนี้เดินจากปลายซอยนี่ไปถึงปากซอยนี่นะสมมติว่าจะเดินจะได้ไปนั่งรถเมล์นี่ สักสักรอยเมตร้อยห้าสิบเมตรก็ได้เจอขยะกี่ชิน้นเจอนกระป๋องเนี่ยกี่กี่อันเจอกระดาษกี่ชิน้นที่อยู่ปลายทางที่อยู่กลางทางเนี่ยไม่เก็บทาไมไม่ใช่หน้าที่ของขอ ง, ของอากู ทังนั้นนี่เขาไม่ได้เสียหายอะไรเลยเนนะแล้วก็จะถึงปากซ้อนนี่ก็เจอสักสี่ห้าชิ้นได้ผลบุญผู้ศรัทธาเท่านั้นนะที่ถูกอบรม้ดย h a ดีษว่าหนึ่งในอิมานเนี่ยอิมาตุละซาเนี่ยตรรกเนี่ยเก็บเก็บอะเก็บอะไรที่มันอันตรายที่มันที่มันไม่สมประทานาคนไม่ไม่ไม่อยากได้เจอ เราอยากเจอไหมออกจากบ้านเดินถนนนี่อยากเจอไหมเจอหนามเจอปากกระป๋องอะไรเงี้ยอยากเจอไหมไม่อยากเจอโอ้ยถ้าถ้าว่าทุกคนนะคเนี่ยคิดเผื่อคนอื่นเขาอะนะเราก็จะเจอก่อนที่จะออกจากบ้านน่ะนะอ๋อมีคนที่เขาแข่งขันกับเราในการทำความดีเขาเก็บขยะให้ไปแล้วเราเดินซอยบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ ปายซนปากซอยนี่นะไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเดี๋ยวมีคนอื่นมาเก็บเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวเข้าเนี่ยมาใช่น้าที่คนเดยแล้วสุดท้ายนี่เป็นอย่างไงเนี่นยจึ่มีข้อใดนี่เป็นหลักการที่เราต้องเข้าใจกันว่ารายได้ ส่วนรวมที่เราพูดถึงร า, รายได้ของแผนดินนะ น, นะรัฐรัฐนะแต่ถ้ากระชับนิดนึงนไม่ต้องพูดถึงรัฐ ก, ก็ได้รายได้องค์กรอย่างเงี้ยรายได้ชมรมางงรายได้กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสีอย่างเงี้สยสมมติอะรได้มันเป็น ผลประโยชน์ส่วนรวมคนที่ดูแลเนี่ยนะผู้นำที่ดูแลเนี่ยนั่นเขาเรียกอิหมอิหม่มาได้ก็อิหมกิจกรรมกีฬาสีก็ไี้ก็อิหมั่งพบอิหมังนี่เป็นภาษาหลักไงไม่ใช่อิหมัเพราะเราเนี่ยเข้าใจว่าอิหมนี่มว่าต้องอิหมัอิหมที่นำละหมาดนะวอิหมั่นี่คือผู้นาไงอิหมั่งพูดนำ يوم يأتي كل أ ن อิม إ م ا م ه م กลุ่มชนทุกฝูงเนี่ยทุกคนนี่นะก็จะอวนเกียมาเนี่ก็จะถูกชุมนุมพร้อมผู้นําพร้อมอิห ม, ม่ามพร้อมผู้นําของเขานักร้องก็จะมาพร้อมใครอะผู้นําของเขาหรือจะหรือจะผู้นำเขาจะเป็นนักเตะบอลได้ปะไม่ได้นักเตะบอลเนี่ยก็เออเป็นเล่เนอใครอะ ลาสุนี่ที่เกษนาเนียนะนั่นันู้ น, น, น, น, น, น, นมาซาลาอะไรเงี้ยเราก็บรรจุเราสามารถบรรจุตัวเราได้ว่าแมานวะแมนวะเราจะเป็นนักเตะบอลแม้ว่าจะเป็นเราเป็นนักแสดงที่ถูกต้องน่ะนะแม้ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะแต่วันกียรม้านีมนันจะมี คือมันจะมีรสนิยมของการแบ่งแบ่งจำพวกนะรสนิยมในการแบ่งจำพวกนี้ก็คือพฤติกรรมที่จะนำคนไปสวรรค์หรือนำคนไปนรกนี่คือรสนิยมของวันเกียมา วันกียร์มาที่ไม่มีรถสนีิยมอ๋ออันนี้อันนี้แบบชิวๆก่อนเขาจะไปเที่ยวริมคลองก่อนเข้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยอนี้ <c oughs> บรรยากาศของวันเกียร์มาเนี่ก็จะแบ่งจําพวกต่างๆนี่นะก็คือจําพวกที่มีพฤติกรรมที่จะถูกนําไปสวรรค์อ่าจะเป็นพวกคนที่อ่านกุรานคนดีละมาดเกียมุลเล่ก็จะเป็นเป็นจําพวกนะเอ๊ะคนดีขยันถือสินอดก้อนหลายจำพวกเหมือนกันนะ่ะ แต่คนพวกฝูงนรกน่ะไอ้ไอ้พวกทาบาปใหญ่ไอ้พวกทาชีริดไอ้พวกเหมือนกันเราคนเออว่าที่คุณคุณคุณเลื่อนาซีมีอิมาม่หิมมาพ้อมอิมาผู้นาของแต่ละจำพวกเรียกว่าอิมามนะอุลามะเขาบอกว่าสร ر ฟุ ل อิมา م ม و มาน ل ตุบิลมล حة อันนี้ ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วนะพฤตนะนะนะิกรรมด้านการบริหารรัพย์สินทรัพย์สินส่วนรวมนะของอิหมัมก็คือของผู้นํากลุ่มนั้นนั้น่ะกลุ่มอะไรก็ตามนะพฤติกรรมด้านการบริหารทรัพย์สินส่วนรวมของกลุ่มนั้นนะั้น่ะนะมนูต้นขึ้นอยู่กับมัสละฮาอยู่กับผลประโยชน์ส่วนรวม ฉะนั้นผู้นำทุกคนเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติให้รายได้ถูกใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนส่วนรวมหลังจากที่อัลละสุบฮานาอูตะล์ได้กำชับผู้ศรัทธาให้สำนึกในภารกิจในการต่อสู้ ในการทาสงครามเนี and and ่ยว่าจะต้องให้มีเป้าหมายในการที่จะไม่ไม่เกิดฟิตน์นบนผืนแผ่นดินในในอายะซามสิบเกานี่ยว่ากัดลูกมัพเตอรละจะคูนฟิตนวยาคูนเดียนลฮูลิละฮีเฝอินอันเทห์ฟอินอัลล ن ฮะบิ มาย้ำกับนักรบเหมือนที่ย้ำตอนต้นสุรานี่อุลลอัลแฟาลุลลาิยรรัูลแทจริงอัลฟาลเนี่ยสับเลยเนี่ยลิลลาอิยรรัสูลสรุปสั้นๆของอัลลอฮ์ละรัสูลและหลังเนี่ยตกุลลอฮะและศหูตบยนกุมดังนั้นพวกเจ้าจงย้ำเกรงอัลลอฮ์และจงกระทำความดีระหว่างพวกเจ้าด้วยกันก้หมายถึงว่าเย็นละมืดกัน ตามความดีก็คือคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายในทุกข่้นไหวของผู้ศรัทธาเนี่ยแม้กระตั่งทำสงครามสู้รบว่ากอติลูมพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาก็คือศัตรูฮัตตาละตะกูนฟิตนะจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้น ก็หมายถึงว่าอันนี้อธิบายไวแล้วนี่าานก็หมายถึงว่าไม่ให้มีการบังคับให้ปฏิเสธสัตย์เพราะคำว่าฟิตเนาเนี่ยปว่าทดสอบชว่วงหลังจากที่นบีเสียชีวิตอบูบักรได้ม า, มาปกครองและหลังจากนั้นอุมัดปกครองสองปีอุมัด มาปกคองสิบสองปีแล้วท่านอัลารเนี่ยถูกสังหารถูกสังหารแล้วเนี่ยอุสมานได้มาบกครองเอะไรนะเขาพปก็สองปีอุมารแปดปีแล้วก็อุส ม, นมนานสิบสองปีอุมารแปดปีก็สิบปี อุสมาน12ปีถ้าไหร่นะยี่สและท่นาลีก็ประมาณ8ปีรวมทั้งหมดเนี่ย30ปีประมาณนี้นะอุสมานนี่ปกครองแล้วถูกสังหารเหมือนกันแต่คนที่สังหารอัลมรไม่มุสลิ ม, ม นัคนที่สังหารอุสมานอ้างว่าเป็นมุสลิมแล้วคนที่มาสังหารอับดุลเบตัลีบเช่นเดียวกันก็อ้างเป็นมุสลิมฮอลีวาทั้งสี่นะอาบะกะเท่านั้นที่เสียชีวิตธรรมดาปกติแต่อีกสามท่านนถูกสังหารคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมสังหารอีกสองคน คนคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมสังหารขออุสมา น, บนิบเนาะฟาเนถูสังหารนี่เริ่มเกิดความแตกแยกความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรงจงสังคมนี่แบ่งกันเป็นสองขั้วแล้วก็เกิดสงครามด้วยข้ออ้างในการทำสงครามก็คือต้องลงโทษคนที่สังหารอุสมาน แล้วคนที่ถือเหตุผลนี้ก็คือมอววียเอ็มเนอร์ไสุฟีนแล้วก็ท่านิงไงใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่บอกว่าเห็นด้วยกับการลงโทษคนที่สังหารอุสมานแต่ในเมื่อไม่มีรัฐที่มีอำนาจเรียบร้อย เขาจะไม่สามารถจับกลุ่มคนที่สังหารอุสมานฉะนั้นจะต้องให้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเสียก่อนนี่คือเหตุผลของท่านอาลีบนอบิอตอลิบแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมจึงเกิดสงครามในเรื่องเหตุผลเนี่ยเหตุผลว่าจะ ยึดอำนาจของรัฐเนี่ยให้บังคับใช้กฎหมายก่อนหรือจะลงโทษคนที่สังหารอุสมานก่อนซึ่งสหภาพส่วนมากนะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามนี้เลยแล้วทำอะไรอ่ะสหภาพส่วนมากทำอะไรทุกคนเนี่ยก็เข้าบ้านล็อกประตูชักดาบของตัวเองแล้วก็หักทำดามที่ท่านดะบิสสลลลละเล็ะซัลลัม ซึ่งว่าที่มุสลิมกับมุสลิมในสุรบกันะะกนไม่ต้งองเป็นคนที่ต่าหรือถูกฆ่าก็คืออย่าไปยุ่งเลยฉะนั้นมีสหายคนหนึ่งที่ไม่เอาด้วยกับสองสองฝ่ายเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งมาถามว่าเห็นไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฟิดหน้าที่มันเกิดขึ้นทําไมไม่ต่อสู้ ทำไมไม่ต่อสู้จะได้ไม่มีฟิดนะจะได้ไม่เกิดฟิดนะลิมัลลาตุกาะทลุดัดต่ลแตกูนะฟินะเขาถามสอฮาบะที่ไม่ยอมเลือกสู้รบกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยสอฮาบะขวนัอัลลอฮฺบินยูมารอัลอฮฺอัลลอฮฺบินยูมาร์ตว่กัดกาติลน حتّة لا تكون ف ِ ت ْ ن َ ر أ و ن ل ต่อสู้กับนบีเนี่ยจะได้ไม่เกิดขึ้นฟิดนะคือจะได้ไม่มีใครบังคับใครให้คนที่เสียศรัทธาให้ทุกคนในมีอิสระในการที่จะเลือกศรัทธาศาสนาใดๆว่าันตุมตุกอติลูนฮะัตตาตะกูนะฟิตต่พวกเจ้าเนี่ยกำลังต่อสู้จะได้เกิดฟิตนะทุกการต่อสู้ การสู้รบระหว่างมุสลิมด้วยกันน่ะนะมันก็เป็นการก่อให้เกิดฟินตนะไม่มีหลักการต่อสู้ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะ่ะเพื่อจะได้ระ ง, งับฟิตนน่ะการระ ง, งับฟินตน์นี่ก็คือไม่ต่อสู้ ع ن الله ب و ق و ق ا ت ل ه م حتى لا تكون فتن تنصور ้ ب ี ا قي هي هي د ي ك فتنة فتنة هني نعم أي تinguه هي مي خي ما بانخب خ ر ي تجاوبت سهطا و ي ك و ن الدين كله لله لا إبادة تكش نت نن قد تضون س i t t م الله เท่าน ن كمعي ت i n g u س i t t م الله ในการ ا ل ให้มนุษย์ทุกคนในมีสิทธิ์ที่จะเลือกศาสนาแล้วก็อิบาดะตามศาสนาที่ตัวเองเลือกทำไมต้องดีความแบบนี้ละ่ะเพราะในอิสลามเนี่ยชัดเจนในกุตอาบอกและวะ้วและอิกราฟิดีนชัดเจนในเรื่องศาสนาไม่มีการบังคับฉะนั้นจะต่อสู้จะได้บังคับระบอิสลามอันนี้ไม่มีแล้วก็ ในสุราตาบ้านเนียซึ่งเป็นสุราที่ถูกประทานลงมาในปีที่กาในในในยุคสุดท้ายเลยนะอัลลอฮ์ช้ให้เก็บจซียจากอัลกุรกตละก็ให้ชาวอัลกุกิตะเนี่ยอยูบนผืนแผ่นดินของรอิสลามเนี่ยดรงศาสนาของเขาซึ่งศาสนาเขานี่มีชิริกไหมโบสของเขาเนี่ยเาทชิริกไหมทำดิถ้าเขาใจอิเนี่ยอย่าไปยุ่งก็อดงว่า ก็เขาเลือกเลือกศาสนาของเขาและนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาเราก็ต้องเอาหลักการอันเนี้ยมาตีความมาตีความสุราอื่นๆหรืออายะอื่นที่พูดถึงเรื่องการสู้รบจะได้เข้าใจหลักการศาสนาโดยรวมแต่มาหยิบยกนี่ไงไม่สู้รบเนี่ยเพื่อให้ศาสนาเป็นไอ้บาร์ด้าเป็นหัวอัลลอฮ์นี่บังคับเป็นคนอื่นเนี่ยเป็นอุสลิเป็ น, มนหมดมันจะได้ <c oughs> แล้วก็แล้วก็สุราอื่นแล้วก็อายะอื่นน่ะ จะให้อิสระในการที่จะนับถือศาสนาเองภายใต้การดูแลของขอ ง, ของนัอิสลามอายะอื่นนี่บอกว่าห้ามบังคับในเรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อ่ะใช่ต้องใช้หมดต้องเข้าใจอายะหนึ่งอายะใดเนี่ยตามกฎหมายอื่นๆด้วยถ้าไม่เข้าใจก็อย่าสรุปนี่ขนาดกฎหมายของมนุษย์ด้วยกันเองอในเวลาขัดแย้งกันก็มีสารธรรมนูนเลดีกว่าไห้ แต่พวกมันเนี่ยพอมันไม่เข้าใจกุตอานั่นน่ะกูเข้าใจเองเข้าใจผิดเออไมเป็นไรแต่ละความรู้ของของของนักวิชาการน่ะก็มีความหมายเลยอ่ะนี่ขนาดกฎหมายมนุษย์กันเองอ่ะยังเกียรกันเลยอ่ยจะเข้าจะไปก้าวกลายไปเข้าใจเองไม่ได้ก็มีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญระดับอูระดับแล้วก็สารธรรมมนุษย์นี่ก็ต้องเป็นนักกฎหมายระดับระดับปรมาจานระดับคนที่แบบว่าฮะ คือถ้าถ้าห้าสิบนี่ถือว่าเด็กๆนะต้อง6กสิบเจ็ดสิบอัพแล้วเนี่ยบอกคือต้องต้องเป็นคนเอาโสมากอะคนที่แบบว่ามีประสบการณ์เกา่าๆมากในเรื่องกฎหมายอะถึงจะที่ความกฎหมายเป็นนี่เขายัางให้เกียรติกฎหมายมาด้วยกันขนาดนั้นนะที่กฎหมายของอัลลอฮ์นี่นะกูเขาจะอิ่แต่บางทีเนี่ยไม่รู้เรื่องภาษาหบนันี้อย่างบ้านเรา ที่เคยวันตั้งตั้งฮัลลากันตั้งฮัลล์นี่ไ ง, ไงไม่นี่เราบ่กนี่เนี่ยพระล่านี่มันก็แน่นไอ้สุรบเนี่ยโดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องหลักกุชาการเลยแต่ในนิทานเราได้หากว่าเขายุติการบังคับคนอื่นในการนับถือศาสนาตอกอ่อนนั้นนั่นก็คือพวกมุชิลิกีนนี่มันก็ บ, บังคับคนอื่น ให้บูชาเจวัเน่นะถ้าเขาเลิกแล้วในการบังคับเนี่ย فإن الله بما تعملون نبصي الله เนี่ยทงให้นาซีนที่วกครอเขากระนั้น وإن تولوا فعلموا أن الله مولاهم نعمل مولاه ونعمل نصير แล้ววเขาเนี่ยพินหลังให้พินหลังให้ท่านนบีส ل ลต่าละอือละซลไม่สนับสนุนแนวทางของท่านนบีในการเรียกร้องสู่ความเป็นธรรมก็ไม่ต้องเสียใจ โอท่านนาบีโอสาบไม่ต้องเสียใจว่าคนเขาไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้าแท่จริงนันเราสุภานะหัวตาละ่ะเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศวันนี้มันนักเสียดและเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมอ่ะกําชับแล้วว่าให้รู้เป้าหมายในการสู้รบ ้อนมาพูดถึงเรื่องการแบ่งรพย์เลยว่าละมูอั ا น ن ม ت า م ิมตุมิใช่อินฟะ ل ل นนัลลิละฮิขุมุ ل ฮุห์ و ل ذ ي القرب و ل ي ت ا م ى والمساكين وبن السبيل แล้ ر و พิงรู้เถิดว่าว่าละมูพงรู้เถิดว่า อันนมิมตุมิใช่อินแทจริงสิ่งที่สิ่งสิงใดที่พวกเจ้านมาจากการทาศึกิมุมเป็นกริยกริยานีมาจากรีมาีมาเนี่ยคาว่ากรีมานี่ก็คือก็คือทรัพย์ที่มาจากสึกทัพย์ที่มาจากสึอันนี้เป็น ภาษาอันับนี้ก็คํำสับเดียวเออนีไหมนี่คํำสับเดียวแต่ในภาษาไทยนีก็ต้องอธิบายแบบนี้พะฉะนั้นในคําภาษาคําอาที่ภาษาไทยเนี่ยว่ามากจากการทําศึกอในภาษาอันดับนี้การทําศึกไม่มีในภาษาอันดับนี้ไม่มีหรือคำบรรยากอย่างนี้แปลคำที่คำมันยายอย่างเนี้ยเออในภาษาไทยเนี่ยสั้นทีสุเนี่ยสั้ชิงแต่ละภาษาเนี่ยมันก็จะมี ข้อจำกัดของเนื้อหาที่ภาษาอื่นไม่มีและมีความจําเป็นที่เราต้องใช้คําอื่นมาเสริมจะได้เข้าใจแท้จริงสิ่งใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทําศึกนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรกันแะนจะเป็นประสุสัตว์จะเป็นจะเป็นเงินทองจะเป็น เสื้อผ้าจะเป็นอาวุธจะเป็นที่ดินจะเป็นอาคารเรือนจะเป็นพวกเครื่องประดับประดาจะเป็นพืชผลผลผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากการทำศึกนั้น น, ะนั่นนะ่ที่เขาเรียกกันกรณีมะเรียกกันว่าแอมเฟลแน่นอน فأن لله خ م س ه نانون ن ن ه ا ك من ب ن الله ولرسول ل ب ن رسول.إذاً أنا كعلماء خبر و ة فأن لله خ م س هو الرسول.إذاً أنا و ة ของ الله ل ر س و ل إ ك ือ نان ن ه ا ไม่ใช่ว่าของอัลลอฮหนึ่งหนึ่งในห้าแล้วก็ของละซุลหนึ่งในห้าะไม่ใช่ของอัลลอฮ์แล้วก็ละซุนเนี่ยหนึ่งในห้าไม่มีของอัลลอฮ์ที่เป็นเอกเทศด้วยความจําเป็นในการตีความว่าอัลลอฮ์สุฮานหัวดาลา่ะจะไม่ลงมาแบ่งซับเฉลยหรือมาบริหารจัดการซับเฉลยด้วยพระองค์ท่านเองอุอลามาจึงบอกว่า เริ่มต้นด้วยการเอ่ยพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه ละุะมาระเขาบอกว่าลิตบรุกเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นเป็นความสิริมงคลว่าถ้าอัลลอ์บอกว่าอ้าวทรับเชลันี่ก็แบ่งให้คนนูคนนี้คนนี้ถ้าอาจจะเกิดความแค้นใจว่ามันเป็นทรัพคนอื่นไมมันเกิดจัดสุก ข, ขัง ถ้าอัลลอฮ์ฟริลล่าเริ่มต้นด้วยอัลลอฮ์นี่ก็คืออนุญาตให้แบ่งแล้วก็ผู้แรกที่จะมีสิทธิในส่วนนี้ Allah. อัลลอ์มันก็เลยทำให้สบายใจว่าว่าทรัพย์ที่เกิดจากการทำศึกนี่นะมันมันไม่ต้องไม่ต้องอึดอัดใจแต่ทั้งนี้เอกฉันเช่นเดียวกันนะครับอุลามาได้เอกฉันเช่นเดียวกันว่า ผู้ที่จะบริหารจัดการส่วนนี้ของอัลลอฮ์สุบฮานาห์ดาเนี่ยก็คือท่านนบีสุลลัลละเล้วสั่งเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นของอัลลอฮ์ลวก็รั้วสนี่ก็คืออันเดียวกันนี่แหละว่าอัลลอฮ์ละสุนเนี่ยหนึ่งนะไม่ใช่สองนะดูว่ถ้าถ้าถ้าเอานอัลลอฮ์ละสุนเดี่ยเราจเกิดปัญหารับ من ึ่งเมษาเนี่ยคุ้มเส้าฮู้หนึ่งเมษาเนี่ยแสดงว่าแบ ن ง ا ้าส่วนซับเฉลี่ยกี่ม ل อินะแบ่งห ل าส่วนหนึ่งเมษาเนี่ยเป็นของใครนะอิละอิมอุลรัสูละนิดหนึ لبنى لبنى و ا ل ي ت ا م لبنا لكبرا والمساكين لبنا فكصن وبنسبين ي ب و د ه ا س สด ن ي ه ا ن ب ن ب ن ْ ب َ ن ْ ب ن ْ ب َ ب َ ي سوا ن ْ ك و ب ن ْ ب ب ن ْ ب ن ْ ب َ ن ْ ب َ ب ن ْ ب َ ن ْ ب ن ب ن ْ ب َ นเหล่านี้และในส่ส like ่วนนัะสส่วนเนี่ยเป็นสิทคิดของนัก o รบคนที้เขาสู่รบมีแบบซับเจริญให้ส่วนนี่เป็นทัศน์หนึ่งของอุาที่เขาบอกว่าซับเจรนี้ซับเจนี่ยแต่ทีควาจะตรในในสูรบนนะมีสองประเภ ที่ยขานักาหนสงครั้งานักทำสงครั้งี่าหนท้สงครเนี่ยไปม่วสมมอกสู้กับศัตรูเนี่ยแล้วก็ได้ดาของเขามาอันนี้เป็นสิทธของคนนีกคนที่สู้รบอันนี้เนี่ย ทะไม่เ้ไปในซับเฉลยที่แบ่งหาส่นอนี้อนี้แยเพรามันเป็น حديث ทราตักเเอาแล้วับเฉลยที่แป่งหาเนี่ยซับเฉลยที่แบหานีกคือซับีไม่เกิดขนาดตาสงครามคือยุติสงครามแล้วพอยุติแล้วอะนะ ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่เกิดจากสงครามแลี่เกิดจากสัตรูนี่นะทั้งหมดเนี่ยเก็บมาหมดห้ามเก็บแม้แต่ชิ้นเดียวท่านทั้นคือว่าใครที่ในบรรดาลกรบเนี่ยถืออภิสิทธิ์ว่าเขาเป็นนักกรบแล้วก็ยุนหลังการทุติสงครามแล้วเนี่ยไปยส่วนหนึ่งของทรัพย์สนเลยก่อนที่จะแบ่งนะเนี่ยเป็นนรก ทำไมเนเขานมสิทของะชากอแล้วไม่ไไม่ได้มีสิทิอนัน่เาทำไมให้สิกับนักลุกในเวลาตอนสงครามเนี่ยถ้าเขาได้อะไรนีก็เอาไปเลยเพื่อเป็นกำลังใจเพราะไหากว่อ้ห้ามหยิบห้ามจับอะไรนันติดตั้อะไรมันจะติดอัมากแต่อันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนี่นบีก็เลยอ่รู แต่ถ้าาว่ายุติแล้วสงครามแล้วห้ามห้ามแม้แต่น้อา่เจออะไรอ่ะก็ต้องไปไปวาในกองที่จะแบ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนหส่วนส่วนให้นักลบและก็อน่งส่วนให้าส่วนีเราเป็นอะไรนี่กสนึอีกนึ ต้องบอกว่าการแบบ่งเป็นห้าส่วนแบบนี้อันนี้ไม่ได้เป็นข้อบงังคับไม่ได้เป็นข้อบงังคับมันเป็นข้อสเสนอนะและผู้นำคือแคลิฟอนีมีสิ ที่จะแบ่งซัพเฉลยทั้งหมดเนี่ยตามประโยชน์สูงสุดของสังคมได้สมัยทั้นนีก็เกิดขึ้นบางครั้งดานีก็ไม่ได้แบตามห้าส่วนไปเป็นบางครั้งนีก็แบ่งตามห้าส่วนก็คือให้นักร้องเนี่ยสุด ตอนนั้นนัสงครามที่แท้รีในงเนี่ยเทียบแล้วกับสงครามที่สหาบาไปทำที่หลังนี้ที่เปพิชิตอาณาจักรใหญ่คือว่าเป็นสงครามเล็กสงครามบ้าบนเกในในแน้อ ย, อยตัวในู สี่ิบห้าสิตัลังานันอสงขาก็โมาีได้ับเลยมาอุีรตัวไม่ที่าแพชิปซียิชิตอนาจักซียิชิคลังคลังอ่าเปซี ครปดัปดาของกิซอในกรสับอะไรเครื่องปดัปดาเนี่ยเขาบอกว่ายกกันเป็นกระสอบเลยเป็นเป็นเอยเป็น็ับยกกันเป็นกระสอบเลยเครื่องปดปดาส่วนตัวของกระสันะยังไม่นับเครื่องป n ะด o ปดาของพวกขุนนางพวกกิซราคนเดียวยเป็นกระสอบเลย และทรัพย์สินของเขาอ่ะวัสดุสั่งของเขาอ่ะและแผ่นดินที่ดินน่ะจะแปลงง่าอ่ะอิรักอิรานนทุกบทเนี่ยจเป็นพื้นที่ของของอาณาจักรเปอร์เซียพอแล้วนี่แบ่งสีส่วนเนี่ยแบ่งให้นโปรเลียอ้ยขาวโยยโย แม่ครัก mm. ็มม okay like ืองสาวบอว่านี <c oughs> um, like ่อ <mor ik> so ัน <expl> น <Souls> hm, sure. <c oughs> ้ทัเหมอเป็นตัวแต่แบบเมือไม่แข็คุกว่าป็นตัเรียนสภาวมาเมืองสาวทำยังไงอ่ะมีไม่ใช่่ใช่ปูนร้ตัวไม่เมือนสแูหาร้อยตัวไม่ใช่นะอนี้ เปนแผนดินแล้วบเทวีแล้วการนัรบเนี่ยสัก3าม0มืนสี่มืนคนเนี่ยแทถ้าแบ่งได้ลงได้คนละเมือแบ่งนแต่คนละมืองพะกะน้นได้คนละเมืองแล้วก็หนึ่งในห้าที่จะเป็นส่วนของของรับนะนะที่จะมนมาบริหารเราแล้วก็เราจะเราจะบริหารการแผ่นดินต่อไปยงไง สหาส ص ح าทั so, them, Amen, ้งหมดเนี่ยก็ให้ความเห็นกันกออมาถึขั้ว่าอไปแคนดิงก็เอเรื่องสซมแซมายูน่ารับเป็นเรื่องอดินงที่ที่มันเป็นมันเป็นสวนเป็นนาของของอาณาจกรเปร์เซียซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของโลกในยุคนั้นน่ะนะ รักสวนดูไรหรสวนเนี่ยสวนเนี่ยหมายว่าดแต่ดำตรงนี wow. ้หมายถึงว่าเขียวคือมันเขียวว่าอูปูพืชผลเป็นสวนเป็นผ้นไม้แมันมันเขียวเขียวจน้ำอ่ะเนี่ยนี่มันสมมติเราสารราเ่มันโอ้มันขื่นแต่มีแต่สวนมีแต่ไรนี่มอกมีมีแต่เขียวอย่างเดียวนี่นะ ไอร์แนด์ไอร์แนด์มนกรู ừ, ừ, ้นึกว่าแบ่งนเป็นสงส่วนอร์แลนดมันอาอิรที่มันเป็นพื้นที่ที่าอยอยู่กันยอะ้เรียกอิรอมแล้วก็มีอรน่งมีสของอิรด้วยคาก็เรียกันอิรเหมือนกันแต่่อนีอิรมีนะัมาที่หลังนันร้อยปี ขื่นแผ่นดินนั้นน่ะหลายสิบล้านไร่ไม่ใช่หลายหมืน่นล้านไร่แบ่งยังไงอะุามาค์ัออบอกว่าไม่แบ่งไม่แบ่งจะแบ่งเฉพาะเฉพาะทรัพย์ที่เคลื่อนที่เออ มีอาวุธมีสะุ้งสะดัง ต, งตรงไหนนั้นอันนั้นะพอพอแบ่งได้แต่สำหรับที่ดินทั้งหมดนี้นะไม่แบ่งทั้งนั้นนี่มันก็เป็นทรัพย์ไม่แบ่งและถือว่าเป็นเป็นของใครอะถือว่าเป็นของรัฐแล้วก็รัฐมอบให้ประชากรดั้งเดิมอะให้ใช้เหมือนเดิมคนเปอร์เซียที่เป็นชาวนาชาวสวนเนี่ย ให้เขาถือกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมและกระจายภาษีเพื่อบำรุงรักษารายได้ให้รัฐอิสลามเนี่ยสามารถดูแลผื้นแผ่นดินใหญ่โตที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐอิสลามซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์อันเฉรียมากของมรดกทัองตอบ ที่ได้เรียกสหาบะแล้วก็อิสติฮาดพรงวินิจฉัยประเด็นเนี้ในกรณีที่ตีความตัวบทแบบนี้ทั้งดังนี้มีสหาบ้าหลายคนที่เห็นว่ามันควรที่จะปฏิบัติตามจำนวนอายะนี้ก็คือแบ่งเป็นห้าส่วนสี่ส่วนนี้ก็เป็นของนักรบและก็ส่วนหนึ่งเป็นของรับอคเราขาบใหม่ว่ก็เฉาะที่ดินนี้นะทั้งหมดเนี่ย จะต้องเป็นของรัฐและนี่คือทำให้อุลมามะอีกทัศนะหนึ่งบอกแล้วทัศนะหนึ่งที่บอกว่าแบ่งเป็นห้าส่วนนะสี่ส่วนของนักรบอีกส่วนหนึ่งของผู้นาแล้วก็ผู้นาเนี่ยเขาก็จะมาแจกให้คนขัดสนเด็กกำพร้าให้เนี่ยอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ย ทัพย์เชลยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่ที่ผู้นําขึ้นอยู่ที่คอลิฟัปชแล้วแต่แล้วแต่แ ว, แตวิจารณญาณของเขาความต้องการของสังคมสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดและทัศนะนี้เนี่ยคือทัศนะที่ถูกต้องที่สุดและมีน้ําหนักมากที่สุดแล้วสอดคล้องกับการกระทําของบรรดาคุลฟาโรอชิดีน ที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะลัมให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางของเขาทีนี้มันมีรายละเอียดอีกรายละเอียดหนึ่งทัสนาที่มอกว่าหนึ่งในห้าเนี่ยหนึ่งในห้าของมันเป็นของอัลลอฮ์และรสล มีอยู่ท่นานหนึ่งอย่างท่านอิหม่ามชาฟีได้บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิทธิของของเราซูลคนเดียวให้เราซูลเนี่ยได้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นว่าผู้ น, นําเนี่ยก็จะต้องมีงบ ป, ประมาณที่สามารถบริหารจัดการอย่างรวดเร็วเนี่อิหม่ามชาฟีบอกว่าเนี่ยเป็นสิทธิของเราซูล เ่านรอสูจัดการเองเลยแต่พอไปดูแลเนี่ยมันมีข้อพิที่มันต้นากมุสลิมท่านนบีสุลต่านละอัลลอฮ์สัลลัมได้บอกว่าได้บอกกับได้บอกกับนักรบครั้งหนึ่งบอกว่าทัพย์เลยเนี่ยก็แบ่งพวกท่านเนี่ยได้ไปสีส่ส่วนก็หมายถึงว่าทัพย์เลยนี่ท่านนบีไม่ได้เอาส่วนมากนี่นะก็กลับไปหาประชาชน คนกรบแต่ละคนเนี่ยเาก็มีครอบครัวมีคนในสังคมอยู่แล้วก็หมายที่ว่ารัเฉลมันก็มันก็กลับไปหาประชาชนส่วนของฉันนี่บอกว่าว่มแต่ฉันเนี่ยมีแค่หนึ่งในห้าหนึ่งในห้ามาลกทางดดีฉันเนี่ยมีสิทธิหนึ่งในหนะแต่หนึ่งในหเนี่ย ท ت ت ن ن ا ا ี่ฉันมีสิทธิบริหารจัดการนะะมารดูดุลฉันก็ต้องเอาไปจัดการบริหารแจกจ่ายกับพวกเจ้าเหมือนกันแต่อีม่ามชาบีได้บอกว่าท่านนบีสุลต่านละอานอื่นละสั่งและอวงวานของท่านโดยเฉพาะอับดุลฮะซิมและกับอับุอับดุลมุตตาลิบเนี่ย ซึ่งเป็นตะกูลของท่านนบีสุลต่านละวะละอีอัลลัมมีสิทธิ์ในการที่จะรับบางส่วนของหนึ่งในห้าเนี่ยสืบเนื่องจากว่าในมัสฮวีฮัลชวีที่เขบอกว่านบีและกัวานของนบีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ของเขาอะนะสืบเนื่องจากว่าบรรูฮาชิมและบบรรุอับดุลมุตเตเลมเนี่ยห้ามรับ zakat ถ้ารับสกาดเอาแล้วก็เขาไม่รับสกาดส่วนแล้วก็คนยากจนคนไม่มีรายได้อะคนไม่ได้ทํามาหากินและแล้วก็ใบตุลแม่ต้องช่วยเหลือเขาอ่ะถ้ารัฐต้องช่วยเหลือเขาเนี่ยจะช่วยเหลือเขาจากจากสกาดได้ไงเขารับสกัดไม่ได้อันนี้ทัศน์ไของอิหม่ามชัยวีร์รับสกัดไม่ได้อิหม่ามชัยวีร์เขว่านี่ไงก็เอาส่วนหนึ่งที่เป็นอัลฮุมุสจากอัลฮุมุสตงเนี่ยไปให้ أهل البيت ك ذ هو موال كونت ن ب ي صلى الله عليه وسلم. ه ل البيت ตร ن ا كذا هو بنو هاشم ووال كون بنو هاشم. نيا ُ่ و ت ُทَ ص الله ع ل สดง أن مي بُوَكْلُكْ بِيْلُكْ َ่ و ْ ن ้ ع ْ كونت النبي دوي نا. أهل البيت طون نيم ماي شي شوَحَ لُكْ لَانَ كونت النبي صل الله عليه وسلم. อِ ن ْ ج َ ا ن ْ ي อีวามสิบสองคมกว่าเป็นศิษย์ของรัศลคนเดียวขุมุสลเป็นศิษย์ของรัูลคนเดียวแล้วก็รัศวลไม่อยู่ละก็เป็นศิษย์ของอัลลอฮบายนอัลบายน่คือใครก็คือลูกหลานของท่านนบีอย่างเดียวนะไม่ใช่บุฮาชิมและก็บรรมามุลมุตลิมนะแค่เดียวเลยอันนี้คือทันของชีอา ไม eh de mm ่เ hmm. ห็นอเสุนเนอุนจะมาอ่ะนะุล่มาอเลสุนเนก็บอกว่าเอ้าสมมุติว่าเอาเป็นของเราสู่ราสูลไม่มีชีวิตแล้วก็เป็นของลูกหลานของท่านนบีใช่ไหมใครอ่ลูกหลานของท่นนบีเราถชมเสี่ยใครลูกหลานของทนนบีเขาบอกว่าบุคคลที่เป็นอิหมัมดํารงดแหน่งแทนท่านนบี เขาก็ถามต่อเอา้าแล้วก็ถ้ามไม่มีอิหมา่มละ่ะว่าถ้ามไม่มีอิหมา่มแล้วเนี่ยก็จะมีผู้รู้ทำหน้าที่อิหมาม่มเขาเรียกกันฟักตี้ผู้รู้ทำหน้าที่อิหมาม่มคนนี้แหละที่จะรับหนึ่งในห้าเช้นเนี่นเวลา วา่เวาเ า, าว่าเราไม่คร์ว่าฟุตอันเลสุนเน่นี้ย z a k a n เราต้องใจเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งสองจุดห้านะสองจุดห้าสองจุดห้านี้ก็คืออกี่เปอร์เซ็นต์ของของหนึ่งในห้าคือถ้าร้อยหนึ่งหนึ่งในห้านี้ก็คือยี่สิบใช่ไหม 20ใช่ไหมแต่เราเอาแค่สองจุด้าเชียบอกว่าสกัดนี่พวลูซุนนเอาแค่ 2.5 ุของเราเนี่ยต้องยี่ในร้อยยฉะนั้นในสังคมเชียรเนี่ยเขาไม่คุยเรื่องสกาด ไม่ออกสกาศไม่เป็นไรแต่ต้องออกคูมุสนะเขาถือว่าคูมุสนี่นะเป็นอากีได้เลยเป็นหนึ่งในห้ารุกุนต้องแจกจ่ายคูมุสเนี่ยให้ใครให้อารุลเบตและอารุลเบตไม่อยู่ละก็ต้องผู้รู้แล้วก็ผู้รุ่นเยอะหนึ่งกูจะให้ใครเนี่ยฮะผู้รู้เนี่ย ที่สถาปนาตัวเองเป็นเป็น أ, อตุลลห์เป็นบุคคลที่มีมีศักยภาพด้านความรู้ซึ่งพวกาอะตุลลห์นี่ก็เนี่ยแต่ละแต่ละประเทศ น, นะ น, น, นี่นะก็จะมีาอะตุลลห์เนี่ยก็จะเป็นคลังใครนับถือใครนี่นะก็จะมอบไม่ใช่ 2.5 จุด น, น, นะจ๊ะ ทำธุรกิจได้มาล้านหนึ่งอะนะ ด, ดิบสดสดเลยนะสองแสนม่อไปฉะนั้นใครออ้โหรเนี่ยชียาเนี่ยที่เขาเผยแพร่ลัทธิของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งบ ป, ประมาณของรัฐของอะไรเลยแค่คุมมุสเสียงเดียวเนี่ยมก็รวยเล ะ, เละแล้วแล้วบ้านเราเนี่ยซียาเนี่ยเขาจ่ายให้ใครอะบ้านเรานี่ อันนี้ตามเขาเองตามเขานับถือกันเองนะบ้านเรายังไม่มีอัยตุลลอฮยังไม่มีุจะตุลลอฮการไห้ที่ที่เห็นกันนี่นะจะสยุยิอะไรกันกตที่เห็นกันันะยังไม่มีคนสักคนงนที่มีสิทธิจะเก็บคุมุสเอาละคุมุสนี่เป็นอีดะหนึงน รุกุลของของชาเนี่ยจะไม่อดต้องจ่ายอ่ะเอา้าแล้วก็จ่ายยังไงอ่ะคนที่เป็นอัยตุลลอห์เนี่ยก็จะมอบหมายอ่ามีมีการทำมอบหมายให้ให้เก็บคุมุสเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่มีอัยตุลลอห์นี่นะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มอบหมายให้มีบางคนเนี่ยเก็บคุมุสเนี่ยกันแล้วก็ส่งไปให้อัยตุลลอห์ซึ่งบ้านเราเนี่ย มีสองอัลลอเนี่ยแบ่งสู้กันเรื่องคุมุสที่อิหร่านมีอยู่คนหนึ่งก็คือผู้นําสูงสุดของอิหร่าน阿里อัลมัตคาเมนีนี่เก็บคมุสของชาติในมึงได้แล้วก็ที่อิรักอีกคนหนึ่งซิสตานีเนี่ยนี่อยู่ที่นาจาฟอยู่ที่อิรักเนี่ยเชืสายเขานี่ก็เป็นคนเปอร์เซียคนอิหร่านเหมือนกันนะ ชีซิสตนีแต่เขาเป็นผู้รู้สูงสุดที่นาจัฟอยู่ที่อรักนี่ก็เป็นมารยาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นที่กลับของผู้รู้ที่เมืองไทยแล้วก็ตัวแทนของสองไอ้ตุลล่อนเนี่ยก็ก็แบ่งอาณาเขตกันแล้วก็ความขัดแย้งที่เขาเนี่ยที่เขาฟัดกันเล็ดเลยนะ ไม่ด้ฟัดกันเละเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องความขัดแย้งเรื่องศาสนาเรื่องละที่ของเขานะเพราะละที่ของเขาเนี่ยมันเละอยู่แล้วไงที่เขาฟัดกันเละในเรื่องคุมุสนี่แต่อัลสุนน่าวะจามะเนี่ไม่มีเรื่องนี้อัลสุนน่าวะจามะอกว่าถ้าเป็นสิตของนบีแล้วก็เป็นของอัลูลไบต์เนี่ยอันนี้ในฐานะที่เขาไม่มีสิรับสกาด ถ้าใครยากจนนะ่ะก็สามารถเอาบางส่วนของมันมาให้เขามาให้เขาได้แต่นี่ก็เป็นทตอร์ของอิหม่ามช ا วีแล้วก็บางส่วนอีกทัษหนึ่งอีกกลมหนึ่งอีกอับูฮานีฟบอกว่าไม่เกี่ยวคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัูลรัูลในฐานะที่ตอนนั้น เป็นผู้นําของสังคมถ้าท่านร บ, บีเสียชีวิตแล้วนี่นะคนที่จะมารับหนึ่งในห้าตรงนี้นี่ก็คือผู้นำเตาคือถ้าเกิดสงครามแล้วก็มีทรัพย์เฉลยถ้าอิหมา ม, มเห็นชอบที่จะให้สี่ส่วนให้นักรบก็ได้แต่ถ้าอิหมามไม่เห็นด้วยอย่างที่ออมรุขอตอบได้ทาแล้วก็เอามาบริหารจัดการให้สังคมทั้่งบเดเนียวย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสมมติเอาแบ่งให้นะครับสี่ส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนั่นก็เป็นสิทธิ์ของอิห ม, ม่ามของผู้นําไม่เกี่ยวกับ ร, รัูวหรืออาลุลใบตแต่งได้เอ้าแล้วอาลุลใบเขาเขารับสาการไม่ได้อิหม่ามอบบฮาเนฟเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยบว่าอาลุลใบเนี่ยรับสการได้รับสาการไ ด, ราาได้และมีรายละเอียดมากกว่านี้คงจะไม่รบกวน มันสมองของพี่น้องที่จะต้องท่องจำให้เยอะนะครับเพราะแค่นี้ก็น่าจะน่นแหะแน่นแล้วนะแน่นแล้วนะทบทวนกันหน่อยไหม <c oughs> ลืมไปแล้วอ่ะมาอ่านแล้วก็มาสรุปแล้วกันนะครับว่าแลมูและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงสิ่งใดๆที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้นที่เป็นกรณีมะ ที่เป็นทัพย์เลยนั้นแน่นอนหนึ่งในห้าของมันแสดงว่าสี่ในห้าเนี่ยไม่เกี่ยวนะหนึ่งในห้าเป็นของใครแบบนะีแต่สี่ในห้าเนี่ยเป็นของใครเป็นของนักรบนักสู้ในสงครามนันน้นๆแต่หนึ่งในห้าเนี่ยเป็นของ Allah, ของัลลอฮ์และเป็นของรัศูลและเป็นของญาติใกล้ชิด อีม่ามชาฟีอีเนี่ยเขาอ้างว่ายาติทิศเนี่ยหมายถึงว่ายาติทิศรัสูลก็คืออัลลอฮบายนหรือวงวานของท่านนาบีคือบรรดาฮะซิมและก็บรรดอับดุลมุตตอลิบแต่อลามาท่านอื่นไม่เห็นด้วยบอกว่าญาตตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าญาติพี่น้องมุสลิมนี่แหละคนที่มีสิทธิ์มากกว่านี่ก็คือคนขัดสนแล้วก็ญาติพี่น้องที่เขาขัดสนนี่แหละว่าเลียเตอรมา และบรรดาเด็กกำพรา้าวันมาสกีนและบรรดาผู้ขัดสนว่ามีนิสสบีลและผู้เดินทางอันที่จริงแล้วตรวจสอบพินิษพิจารณาอีกทีหนึ่งในสังคมเนี่ยมีมากกว่านี้สแสดงว่าจำพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นจำพวกจบจงเช่นยกตัวอย่างมีคนหนึ่งอะนะเขามีไรายได้ดี สมมุตินะรายได้เขาสมมุตนะินะในสังคมเนี่ยรายได้เขาสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วเขาสมาชิกครอบ ค, ค, ครัวเขาก็ภรรยาเข้าคนหนึ่งก็มีลูกสองคนครอบครัวทั้งหมดมีสี่คนแล้วก็มีได้ห้าหมื่นห้าหมื่นพอไหมพอดีโอ้ยสบายเลยเป็นเป็นราชาเลยเนี่ยสบายเลยอ่ะ แต่ปรากฏว่า mm hmm. บางคนนี้อัลลอทดสอบเป็นรูปอะไรที่ต้องรักษารักษายากหน่อยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยต้องส่งไปรักษาต่างประเทศอะไรเนี้ยทั้งทั้งดีโดยสถานะโดยไรายได้แท้ๆที่กำลังเข้าทุกเดือนอยู่แล้วนี่นะ เขาถือว่ามั่งคั่งนะแต่มันพอไหมไม่พอเดือนละห้าหมื่นแค่เดินทางไปฝรั่งเศสได้ไม่ต้องฝรั่งเศสไม่เอาเบอร์คอนไปนยอรมันดีกว่ากำลังกลังน่ารักอยาไปยรมันเนี่ยจะไปรักษาไปผ่าตัดอย่างเงี้ยค่าตัวอย่างเดียวนี่ก็ห้าหมืนค่าตัวอย่างเดียวก็ห้าหมื่นแล้วไม่เหลือละเอา รัฐตรงช่วยไหมต้องช่วยทั้งนั้นนี่สถานะของเขาโดยไรายได้อ่ะ น, นะถือว่าเป็นคนที่มีไรายได้ที่ดีเอาแล้วก็จะแบ่งเขาเป็นจะพวกอะไรเขาเป็นเด็กกำพร้าไหมไม่เขาเป็นเป็นขัดสนไหมไม่ก็เไม่เขาไได้ห้าหมืนแสดงว่ามันจะมีจำพวกหลายจำพวกในสังคมที่ไม่ได้ถูกเจาะ จ, จงในอาย่นี้เนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ย สภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพคนกักศนเด็กกำพร้กล่าคือคนที่เขาไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครองชีพที่จะดูแลตัวเองรวมถึงการดูแลตัวเองในการดาเนินในการดำรงชีวิตอันเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวน ะ, ะมีเรื่องอาหารเครื่องดืม่มเครื่องนุ่งหม่มใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาไม่มีเนี่ยต้องให้นะรัฐไม่ต้องให้น ะ, ะรักษาพยาบาลทั้งหมดนี่จะได้ดำรงดำรงชีพดำรงความเป็นมนุษย์และหนึ่งในนั้นนะ่ะนะอุลามาเอกฉันเลยนะ หนึ่งในนั้นน่ะถ้าเขาต้องการศึกษาเรียนรู้แต่ไม่มีตังจะเรียนรู้ครับต้องช่วยเอา้าแล้วก็จะถือว่าขัดสนไหมนั่นแหละพอเทียบแล้วอา่างก็ไม่ใช่กัมพาไม่ใช่มสซากีเป็นมิสกีไหมก็ไม่ใช่แต่เขาไม่มีค่าเล่าเรียนนี่ใช่ล่ะถือว่าใช่ จะมีบางส่วนที่ทอาจจะถือว่าอยู่ใกล้เคียงแต่ไม่ยูกจ่อจงเช่นอบบุสเซบิลนี่ก็คืออ่านี้เขาบอกว่าอมบุสเซบิลบรรดาเอมบุบสเซบิลและผู้เดินทางผู้ดเดินทางนี่ก็หมายถึงว่าสมมติว่าคนคนมาเยี่ยมลูกกรุงเทพเนี้ยแล้วก็อยู่ดีก็โดนป่นไม่มีตังกล่ะ มีสิทธินะมีสิทธิที่จะรับความช่วยเหลือจากรกรจกแหล่งรายได้เหล่านี้รวมถึงเรื่องนี้สับเฉลยเรื่อ ง, งถึงสกาัดเรื่องอะไรนี้อิบนุสซาบีลมันกันแต่จะมีบางส่วนที่เราถือว่าเป็นอิบนุสซาบีลแต่อาจจะไม่ถูก จงว่าเหมือนเป็นคนที่เดินทางนะเช่นเส้นทางระหว่างเมืองอย่างเี้ยจะมีมูลนิธิจะมีองค์กรกู้ภัยที่ดูแลความปลอดภัยที่คอยช่วยเหลือพอรถชนพอเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็อาสา เขาก็ต้องมีรถและอยู่ระหว่างทางถ้าไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาก็จะไม่ทำเหมือนที่เราบอกว่าเออหน้าที่ต่างๆในสังคมเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันนะ่ะนะก็สโลแกนสโลแกนของเชตอนเนี่ยหรือสโลแกนของคนที่หายนะในวันเกียมาเนี่ยนับซีนับซีตัวใครตัวมันก็จะใช้กันบ่อย แต่ถ้าหากว่ามีส่วนตรงนี้ในที่เราช่วยก็ถือว่าอยู่ในสถานะเหมือนอิบนุสบีทําไมอ่ะเพราะเขาอยู่ระหว่างการเดินทางและเขากำลังช่วยคนอื่นเอาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ถูกเจาะจรองไหมมีมีลักษณะเหมือนไม่มันมีลักษณะคล้ายๆแต่แต่มันไม่เป๊กไงฉะนั้นเราสามารถบอกว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจ่อจรองตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่า จำกัดว่าจะต้องให้เฉพาะจำพวกนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ทีย่ยกตัวอย่างนี้มานี่แค่ให้เป็นเป็นตัวอย่างให้เปรียบเทียบว่าถ้าใครที่มีความต้องการในการที่จะดารงหน้าที่ของเขาดารงชีพของเขาในสังคมไม่มีอะไรได้อะนะรัฐเนี่ยก็ต้องช่วยจากส่วนะไรได้นี่อินกลุ่มอามันตุมบิลลาพวกท่าน จะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้ตามหรือจะเป็นนักรบที่จะยอมมอบสัดส่วนต่างๆของทรัพย์เฉลยตามที่อัลลอ์ได้กำหนดมากหนดไว้นั้นพวกเจ้าเนี่ยต้องดำรงตามการกำหนดของละสุฮานะวะตาลัหากพวกเจ้าศรัทธาอัลลอฮ์อินคุณทุมอามันทุมบิลละแต่ท้าไม่ศรัทธาตา Allah, ่ออัลลอ์เนี่ยก็แบ่งเหมือนพวกยาฮิเลีย แม่ทัพนี่จะเอะไรอะแม่ทัพนี่เอาหมดคนจะแบ่งจะแบ่งเท่าไหร่แค่ไหนก็ตามเนี่ยตามอัธยาศัยใช่ไหมของแม่ทัพจะให้ใครมากกว่าจะจะเอาเองก็ไม่ไม่ได้อัลลอฮฺละต้าห์ว่าพวก เจ้าได้สรัทธาในสิ่งที่เราได้ให้ลงมาแก่บ่าวของเราในวันแห่งการจำแนกระหว่างการศรัทธาและการปฏิสิทธิ์เยาวลภุรกอนฟุรกอนนี่จำแนกจำแนกระหว่างอะไรระหว่างการศรัทธาและปฏิสิธิ์ในในในสำนวนอัลุรอาไม่มีแต่ต้องอธิบายแบบนี้จะได้เข้าใจนั่นก็คืออายะ แรกที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เลยถ้าพวกเจ้าศรัทธาในกุรานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาและในสิ่งที่ประทานลงมาเยาว์วันฟุรควานในสงครามบาดรเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ฉายาว่าเป็นวันจำแนกระหว่างการศรัทธาและปฏิศรัทธานี่พวเห็นและชัดเห็นชัดเจนแล้วว่าใครที่ปฏิเสธศรัทธาและใครที่เอากับความศรัทธาที่จะนับอิสลามนั้นละมันจะเสื่อมนะ คือวันที่สองฝ่ายเผชิญกันยามัลตะขันจาม่านวันที่สองฝ่ายได้เผชิญเผชิญหน้ากันนี่ก็คือฝ่ายของมุสลิมและก็ฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมและอัลลอนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพยามัลตะขันจาม่านยามัลตะขันจาม่านวลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือ อายะฮ์ีอัลลอฮสุฮานบูราและแจกแจงรายละเอียดของการแบ่งซับเฉลยผมได้พยายามที่จะสรุปคร่าวๆนะครับว่าสรุปว่าซับเฉลยเนี่ยแบ่งเป็นห้าส่วนทัศนะที่ถูกต้องนะว่าห้าส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้นำ เป็นต้องให้นครบบ้างลหละแต่ถ้าเห็นชอบที่จะแบ่งสี่ส่วนให้ก็ดีแต่ถ้าเห็นว่าไม่ให้ทั้งหมดไม่ให้ทั้งหมดให้บางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยไปบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายของสังคมทั้งหมดเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์นิทศนะที่ถูกต้องและตัวอย่างที่ใน อโลสว่าเราจะ l ลยยกมาในการแจกจ่ายก็คือเด็กกำพร้าหรือคนขัดสนมาแจกเงินถิ่นิสิตในบที่เรื่องใดอันนี้คืตัวอย่างของคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากงบประมาณซึ่งผู้บริหารรัฐเนี่ยที่ได้รายได้ส่วนเองอย่งทราบเชิงเลยและส่วนเงินแต่งอะไรได้อื่นๆจะได้อธิบายตอนต้นนี้นะเขามีหน้าที่ที่จะหาบุคคลที่ ต้ France, times, forward, องการความช่วยเหลือแบบนี้แลามไปช่วยเรับน่คือส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการแบบซชนเลยถ้าไปดูแล้วในรัฐธรรมนูญทั้งหมดก็มีที่เกี่ยวข้องตรงนก็มีปมณสอตระแนละใน2องตระแงเนี่ยก็ไมทั้งหมดแยังมีสัตว์ร้ายบางที่อัก فأن الله و ر س و ل ك ا ن ي فتحنا، فتح الله أصليه أن مكيا مكيا بس ع ب د ل ك ع ي ا ي س ا ن ي ة ك ل يعني. عالم وأنما غنيم د م ن شيء فأن الله ي و ن س و ه و ل ر س و ل و س و فان كبر ١ ي ا ت م ن كفَّ س َ ب ي ا ت ر ف َ ب ع ش د ل ي م ع ن د ي ٍ ي ع ت َ ق د ي ت و ن ت َ د ي ت ق ِ د و ن د ي ق ِ ن ي ق د ي ع ق ن แต่อย ja ่ามัเยดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของผู้สื่อในการขัดกลาร์ตัวเองบริหารจัดการกิเลสของตัวเองมีใค้เราด้ยปฏิบัติเยี่ความดปฏิเสธศรัทธาไม่มีเป้าหมายในวันตรโลกนี้คือสิ่งที่เราจะสังเกตทัศนะครับบนเป็นคำสอนที่อยู่ในส่วน ال. งใ้อบที่ต่างๆต้นละบละลัยอะลัยอัลมุฮัมมัดวะฮิย่าฮิสซาสลาฮ์ซ